41. น่าร่าไปบวกติที่ไหนเย็กระดวุนดีสำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนคะปารีสก็สมาชารการยาลายมีเย็กระดวุนดีคุณมีแผนที่เมืองให้ดิฉันไหมคะ มีวัตถนาโกรสมวกกับซิตี้แมพ ป, ปุจองโรงแรมที่นี่ได้ไหมคะอีกกระดนุนจียวรีนาการดนินบุกเชยวชะเมืองเก่าอยู่ที่ไหนป้ตะนกรามอีกกระ ว, วิหารอยู่ที่ไหนจ h อีกกระ ด, ดับหนพิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหน มิวเซียมแยกกันไดบุ่นดีซื้อสแตมป์ได้ที่ไหนสแตมป์ปุ่นลีแยกกันไก่อน่ะชั่ซื้อดอกไม้ได้ที่ไหนปุวูลูแยกกันก่อน่ะชัซื้อตั๋วได้ที่ไหนติกเก็ตลูแยกกันไก่อน่ะชั่วทาเรืออยู่ที่ไหน วอร์เดอร์เอเวอุยกดระบุนดตลาดอยู่ที่ไหนมาร์เกตเอกกระบุนดีประสาทอยู่ที่ไหนโคตรายเอกกระบุนดีการพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไหร่ปารีนะเย็บปุ่มดลวด์ุดีการพาเที่ยวชมจบเมื่อไหร่ ปารีนายเย็บ ป, ปูนมูกสุดดการพาทเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไหร่ปารสนายันตะกาลมุนตุนดิดิฉันต้องการมาคุเทที่พูดภาษาเยอรมันนากูเ ม, มาทเัเลวกไ ก, กาวาลดิฉันต้องการมาคุเทที่พูดภาษาอิตาเลียน นา้ากูอิตาลียนมาทลเดว่กัไกด์าวาลดิฉันต้องการมาคุเทที่พูดภาษาฝรั่งเศส น, น้ากูฟรังชมาทลเดว่กัไกด์าวาล